85. f am. i v 85 n d u t h ถามอดีตการหนึ่ง f r a v e r l e d e t y d 1คุณดื่มไปมากแค่ไหนแล้ว Hoe veel h e e t j y g e d r o n k คุณทำงานไปมากแค่ไหนแล้วคุณเขียนไปมากแค่ไหนแล้วคุณนอนหลับสบายไหมคุณสอบผ่านได้อย่างไร หูใหญ่ได้สอบเป็นข้อสอบคุณหาทางพบได้อย่างไรหูใหญ่ได้ปัดข้อฝนคุณพูดกับใครมาเมื i อวีหู j หญ่กระ a รอคุณนัดกับใครมาเมื่อวีหูใหญ่เ afspraak gemaakt? คุณฉลองงานวันเกิดกับใครม า, มมาคุณไปอยู่ที่ไหนม า, านคุณเคยอยู่ที่ไหนม า, านคุณเคยทำงานที่ไหนมา ว่าเ e t ยย์เขวักคุณแนะนำอะไรไปแล้วว่าเทียย์อ่อนเบี้คุณทานอะไรมาว่าเทียย์เขียคุณได้พบอะไรมาว่ t เทียย์เอร o r คุณขับรถมาเร็วแค่ไหน คุณใช้เวลาบินนานเท่าไรคุณกระโดดได้สูงเท่าไรคกรุณาไปที่ w w w b o o k t o d e